พระโพธิสัตว์เนี่ยนะประทับนั่งหน้าราวป่านั้นนั่นแลที่จริงเท่าไหนคัมภีเนี่ยน ะ, ะที่อื่นๆเนี่ยในมหาสุบินะสูตรเนี่ยกล่าวไว้ว่าคืนนั้นน่ก่อนที่จะรับอาหารของนางสุชาดาเนี่ยพระองค์เนี่ยฝันก่อนอ น, นั่นนะเรียก ว, ว่าเป็นสุบินนิมิตมหาสุบินนิมิตเป็นบุพานิมิตของพระโพธิสัตว์ ทุกพระองค์จะได้ตรัสรู้เนี่ยนะเพราะันโดยรวมรวมแล้วพระองค์รู้ว่าวันนั้นเนี่ยเป็นวันคืนนี่หลังจากนี้ไปพระองค์จะตรัสรู้แล้วเพะนั้นหลังจากที่พระองค์ฉันเสร็จก็ไปพักกลางวันอยู่หน้าราวป่าแห่งนั้น น, นะบางแห่งก็กล่าวว่าพระองค์ไปเจริญสมถะวิปัสนาอยู่ทั้งวันจนถึงเวลาเย็นพระองค์ก็รับหญ้าแปดกรรมที่คนหาบญ้าชื่อว่าโสติยะ โซธิยะนั้นทราบอาการของพระมหาบุรุษก็ได้ถวายยญ้า8ปดกรรมัมเสร็จแล้วพระองค์ก็ถือยญ้าแปดก ร, รมเนี่ยสู่โพธิมันทัถานประทับยืนณนะทิศทักษิณคือทิศใต้เนี่ยนะสถานที่ในด้านทิศใต้ก็หวั่นไหวเหมือนหยาดน้ำบนใบบัวพระมหาบุรุษก็ทราบว่าสถานที่ตรงนี้ไม่สามารถรองรับคุณของเราได้คือไม่สามารถจะรองรับพุทธคุณได้ ก็เสด็จไปทางทิศตะวันตกคือทิศปัจจิมหรือว่าปัจฉิมเนี่ยนะสถานที่ตรงนั้นก็หวั่นไหวแล้วก็เสด็จไปทางทิศเหนือคือทิศอุดรสถานที่ตรงนั้นก็หวั่นไหวอีกพระองค์ก็เลยเสด็จไปทางทิศบุรพาคือทิศตะวันออกเนี่ยนะด้านทิศตะวันออกของต้นโพณะทิศนั้นสถานที่ขนาดบรรลังก็ไม่ได้หวั่นไหวเลยพระมหาบุรุษก็สันนิฐานได้ว่าสถานที่แห่งนี้แหละเป็นสถานที่กําจัดกิเลส สถานที่กําจัดความเศร้ามองถ้าพูดแบบภาษาเราบอกที่นี่แหละเป็นเตียงผ่าตัดกิเลสใหญ่แบบนั้นน่ะผาตัดรักษาโรคใจเนี่ยได้อย่างชนิดไม่มีส่วนเหลือเลยนะเป็นสถานที่ที่รักษาโรคที่เกิดจากบาปอกุโสลธรรมได้ทุกชนิดเดียนะเป็นสถานที่ที่เหมาะที่จะพ่าตัดมากว่างั้นพระองก็เลยพอพอรู้ว่าสถานที่ตรงเนี้เป็นสถานที่มั่นคงไม่หวั่นไหวเป็นสถานที่กําจัดสมุทัยเหตุแห่งทุกได้หมดสิ้นเนี่ย ผมก็เลยจับปลายหญ้าเหล่านั้นสะบัดหญ้าเหล่านั้นก็ได้เรียบเรียงเหมือนถูกกําหนดด้วยปลายแปลงทาสีเรียกว่าวางได้อย่างดีเนยมันจะหมุนได้อย่างงดงามมากแล้วก็เรียบเรียงไว้อย่างสวยพระโพธิสัตว์ก็อธิษฐานความเพียรที่ประกอบไปด้วยองค์สีว่าออพอพอนั่งตะอธิษฐานหว่า ร่างกายเนี่ยนะมันจะเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีเนื้อและเลือดในสรีระก็ให้เหนือดแห้งไปถ้าหากว่าไม่บรรลุโพธิญาณแล้วไม่ทําลายบาลังไม่ขอลุกก็จะเรียกภาษาหนึ่งว่าการนั่งครั้งนี้อ่าถ้ากิเลสไม่ดับชีวิตก็ดับฝั่งกันเถอะมันก็มีอยู่สองอย่างนะถ้าไม่บรรลุ ก, ก็สิ้นชีวิตแปลว่าขอตายอยู่ที่ตรงนี้แหละเสร็จแล้วพระองค์ก็นั่งโคบาลังนั่งขัดสมาธิ ประทับนั่งให้ต้นโพอยู่เบื้องพระปรดิษฐานแปลว่านั่งหันหลังให้ต้นโพหันพระพักสู่ทิศบรุรพานหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเนี่ยนะแต่ยังช่วงนั้นเนี่ยดวงจันทร์เริ่มโผล่แล้วขณะที่ดวงจันทร์เริ่มโผล่ขึ้นดวงอาทิตย์ก็รับขอฟ้าเนี่ยมานผู้รังควานโลกทั้งปวงก็เนรมิตแขนพันแขนขึ้น พยามานเนี่ยนะที่ที่หาช่องไม่ต้องการให้พระโพธิสัตว์ตรัสรู้เป็นพระผู้เท้าวนี่นะก็ขี่พญาช้างผู้กำจัดศัตรูตัวยงช้างชื่อว่าคิริเมฆละ น, นะพาหงสหัสมพิเนมิตาสาพุทธันตังครีเมกลังเนี่ยนะก็คือครีเมฆละเนี่ยก็คาถาแรกของพาหงแปดบทนั่นเองพญาช้างเนี่ย ตัวใหญ่ขนาดร้อยห้าสิยอดเสมือนยอดเขาคีรีหิมวันนะ่ยนะแปลว่าเหมือนกับแม่ภูเขาหิมะเลยนะใหญ่เท่ากับภูเขาหิมะพานนะี่ยแหละถูกห้อมล้อมด้วยพลมาหนาแ น, น่นยิ่งนะักมีพลธนูพลดาพลขวนันอ่าพลซ้อนพลห อ, อกเป็นกําลังครอบธรมมน์โดยรอบดุดภูเขาย า, า, นะนะายาตราเน่ยนะกลวิยาตราหรืออ่ายกขบวนกองทัพเยื้องเข้าหาพระมหาสัตว์ ผู้เป็นประดุษศัตรูใหญ่คือมองเห็นพระโพธิสัตว์เนี่ยเป็นศัตรูะจริงๆไม่ได้เป็นศัตรูอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวนะจิตที่จะคิดเบียดเบียนผู้อื่นแม้แต่หน่อยหนึ่งไม่มีสําหรับพระโพธิสัตว์แต่ในความคิดของพญามา น, นี่คือมหาศัตรูเขาเรียกว่าเป็นศัตรูเหมือนกับคู่เวรคู่อาฆาต ท, ที่จะต้องทําลายกันให้ได้ในวันนี้นั้นถ้ามหาบุรุษนั้นเมื่อดวงอาทิตย์ตั้งอยู่นั่นแหลพระองค์ก็กําจัดพลมาน จำนวนมากมายเยนะก็คือขณะที่พญามายกกองทัพมาเนี่ยก็มีการปล่อยอาวุธสารพัดชนิดขึ้นมาเสร็จแล้วพระองค์ก็ด้วยจิตที่ไม่ประทุสร้ายด้วยใจที่เมตตาเป็นต้นของพระองค์เนี่ยอาวุธศัตรูเหล่านั้นทำอะไรพระโพธิสัตว์ไม่ได้ทำร้ายพระโพธิสัตว์ไม่ได้เลยกลายเป็นดอกไม้ไปบูชาพระองค์ทั้งหมดวว่าถูกบูชาด้วยยอดโพอ่นอนว่า ทุกอย่างเนี่ยเสร็จแล้วในที่สุดตอนหนึ่ง อ, อพญามารก็เลยบอกว่าบัลังก์เนี่ยมันของเรานะท่านจงลุกไปขอบัลังก์นี้คืน entrar. พระโพธิสัตว์ก็บอกว่าบลังก์เนี่ยของเรามารก็บอกไม่ของเร า, า, เราพระโพธิสัตว์ก็บอกว่าท่านรู้ได้ยังไงว่าเป็นบัลังก์ของท่านท่านมีพยานอะไรบ้างไหมก็บอกมีเนี่ยบริวารบริวารก็เลยร้องกันสนันว่าบัลังก์เนี่ยของพญามารทีนี้พญามารก็ถามอะไรบัลลังก์ของท่านท่านรู้ได้ยังไงว่าบัลลังก์ของท่าน พระโพธิสัตว์ก็บอกว่ารู้สิเพราะว่าบัลลังก์ของเราเป็นที่เราสร้างบารมีมาพระองค์ก็ระลึกถึงบารมีของพระองค์บอกว่าเยาว่าแต่นี้เลยแม้แต่ชาติที่เป็นพระเวสสันดรเนี่ยนะที่พระองค์ให้ทานเนี่ยแผ่นดินก็หวั่นไหวถึงกี่ครั้งเจ็ดครั้งด้วยกันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นแค่ชาติเดียวนี้ก็เพียงพอแล้วบอกว่าบัลลังก์เนี่ยคู่ควรแก่เราพระองค์ก็ชี้ให้เหมือนกับว่าแผ่นดินนี่เป็นพยานแผ่นดินก็เกิดอาการหวั่นไหวพญามารก็ตกใจกลัวนีไปหมด เสร็จแล้วพระองค์ก็ถูกบูชาด้วยยอดโพอ่อนที่งดงามหน้าดูเหมือนหน่อแก้วประพานสีแดงที่ตกร่วงลงบนจีวรเนี่ยนะที่มีสีเหมือนดอกชบาแย้มก็คือยอดโพอ่อนอ่อนจริงๆถ้า พวกยอดไม้ตระกูลโพเนี่ยนะมันจะมีพวกพวกกลีบพวกอะไรที่มันหุ้มหุ้มที่ยอดยอดเนี่ยนะมันถ้าลมกระทบสักนิดหนึ่งมันก็จะตกลงมาโปรยปลายเต็มไปหมดเลยขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นที่อื่นก็คือพวกดอกไม้ของเทวดาเป็นต้นเนี่ยมาบูชาหาประมาณไม่ได้หลังจากนั้นโพองก็เจริญอาณาปานาสติเนี่ยนะเจริญอาณาปานาสติเข้าฌานที่หนึ่งสองสามสนะออกจากฌานที่สี่ก็ระลึกชาต น้อมไปเพื่อการระลึกชาติจะาเรียกว่าปุเพนิวาสานุสติยานยานที่ระลึกถึงขันห้าที่เคยมีมาที่เคยอยู่ในการก่อนระลึกได้หนึ่งชาติสองชาติสามชาติเป็นจนถึงโน่นน่ะธาตุดูตามนี้น่าจะระลึกได้เป็นอสงไขยอสงไขยนั่นแหละหลังจากนั้นเนี่ยนะพระองค์ก็พิจารณาชัมระทิปจักสุยาณก็คือพิจารณาสัตว์โลกทั้งหลายพิจารณาหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรม คือการพิจารณาที่รียกว่าทิพจักสุเนี่ยไม่ใช่ว่านั่งพิจารณาสักสัวสองตัวนะพิจารณาในภูมิทั้งหมดเลยทั้งกรรมภูมิรูปภูมิและอรูปภูมิพิจารณาจุติปฏิสนทิพิจารณากรรมที่นําไปสู่ภูมิทั้งปวงกรรมเหล่าใดที่นําไปสู่นรกพวกนี้ทํากรรมที่ไหนแล้วไปตกนรกตกแล้วอยู่แค่ไหนอย่างไรนานแค่ไหนพ้นจากนรกมาเกิดเป็นเปรตเป็นเดรชานอยู่ณตามสถานที่ต่างๆอย่างไร เป็นหมู่มนุษย์ทั้งหลายอย่างไรเป็นเทวดามาจากกรรมเหล่าไหนพิจารณาอย่างละเอียดใคร่ครวญแต่ได้บทสรุปว่าสัตว์โลกเหล่านี้ถึงความทุกข์ยากลําบากหนอเกิดแก่เจ็บตายถึงขนาดนั้นก็ยังไม่รู้ทำเป็นที่พ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บและความตายก็พิจารณาว่าแล้วชาติชรามรณะเนี่ยนะชรามรณะความทุกข์ทั้งมวลเหล่านี้มาจากไหนก็ทวนบอกว่ามาจากความ เกิดและความเกิดมาจากไหนก็มาจากพบพบมาจากไหนก็มาจากอุปาทานอุปาทานก็มาจากตันหาตันหามาจากเวทนาเวทนามาจากภาษาัาษะมาจากสลายตนะสลายตนะมาจากนามรูปนามรูปมาจากวิญญาณวิญญาณมาจากนามรูปแล้วก็วิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามรูปจึงเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเนี่ยนะก็พิจารณาเนี่ยนะแล้วก็พิจารณาในแง่ในฝ่ายตรงกันข้ามว่า ถ้าชรามรณะไม่มีเนี่ยอะไรต้องไม่มีเขาบอกว่าต้องไม่มีชาติก็ไม่มีชาราและมรณะถ้าชาติไม่มีชาติจะดับได้เพราะอะไรดับก็พิจารณาว่าพบดับเป็นต้นก็พิจารณาอย่างลงสู่อริยสัจเนี่ยนะพิจารณาว่าตะคือปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลมวิวัตตาก็คือปฏิจจสมุปบาทโดยปฏิโลมพิจารณาปฏิจจสมุปบาทอย่างลงสู่อริยสัจที่จารณาอยู่ประมาณสี่ชั่วโมงเนี่ยนะ ก็มีการบรรลุมักผลตามลําดับนะนะโสดาปฏิมักโสดาปฏิพนสกาธาคามีมักสกท า, าคามีผลอนาคามีมักอนาคามีผลพร้อมกับอรุณอุไทยแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์ขึ้นพระองค์ก็เป็นพระพุทธเจ้าอรหัตผลก็เกิดขึ้นหลังจากอรหัตผลเกิดขึ้นดับไปเนี่ยนะพระองค์ก็เกิดปัจเจเวขณาญาณกล่าวเป็นพุทธอุทานเรียกว่าปฐมอุทานเป็นอุทานครั้งแรกครําแรกที่วง เปล่งออกมาจากพระโอษฐแรกตรัสรู้ว่าเราแสวงหานายช่างผู้สร้างเรือนคืออัตภาพนายช่างผู้สร้างเรือนคือสร้างร่างกายเนี่ยนะตัวที่สร้างภพสร้างชาติอ่ะคือตัวตันหาเนี่ยเที่ยวแสวงหานายช่างคือตันหาผู้สร้างเรือนคืออัตภาพคืออุปาทานขันห้าเนี่ยนะเมื่อเที่ยวแสวงหาตันหาอย่างเนี้ยที่สร้างภพเนี่ยหาไม่พบเมื่อหา ตันหาเป็นต้นไม่พบก็ท่องเที่ยวไปสิ้นสงสารสิ้นสงสารก็คือสิ้นขันอายตนะธาตุเนี่ยนับด้วยชาติไม่ใช่น้อยแปลว่าหาตันหาผู้สร้างวัดตระเนี่ยหาไม่พบเมื่อหาไม่พบก็ทิ้งขันธาตุอายตนะเนี่ยแม้ไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติมากมายเหลือเกินแต่สรุปว่าจะเกิดกี่พบกี่ชาติก็บอกก็ตามความเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์ เกิดที่ใดเมื่ อ, อไรอย่างไรมันก็เป็นทุกข์ขึ้นชื่อว่าความเกิดนี่มันเป็นเป็นทุกข์มันจะเกิดบ่อยขนาดไหนมันก็ทุกข์เท่านั้นดูก่อนนายช่างผู้สร้างเรือนคืออัตภาพคือตันหาเนี่ยบัดนี้เราพบท่านแล้ว คำว่าพบตัวนี้เนี่ยพบด้วยวิปัสนาและพบด้วยอริยมรรคนะไม่ใช่พบแบบเออนี่ตันหาเออเราชอบเขาเราก็รู้ครูเขาชอบเราเราก็รู้หรือว่าเออเราเห็นอะไรแล้วเราก็ชอบเห็นดอกไม้สวยเราก็ชอบดอกไม้อาหารอร่อยเราก็ชอบนี่แหละเรียกว่าพบตันหาแล้วพบสมุทัยแล้วไม่พบในที่นี้พบด้วยวิปัสนาญาณพบด้วยมัรคญาณแล้วก็พบด้วยอรหัตตมัรคญาณนั่นแหละรู้จักตันหาดีพอเนี่ยต้องรู้จักด้วยอนุภาพของ อรหัตตะมักจึงจะได้ควารู้จักตัญหาจริงถ้าอารหัตตะมักไม่เกิดไม่รู้จักตัญหารกเ น, นีน่ยนะเพราะฉะนั้นบัดนี้เราพบท่านแล้วด้วยอนุภาพของอรหัตตะรักเ น, นีน่ยนะเพราะฉะนั้นท่านจักสร้างเรือนคืออัตภาพอีกไม่ได้โครงเรือนคือกรรมทั้งหมดเนี่ยเราก็หักของท่านเสียหมดแล้วเนี่ยนะโครงเรือนคือกรรมเนี่ยก็คือหักซี่กรรมทุกชนิดยอดเรือนคือวิชาเราก็รื้อเสร็จแล้ว เพราะฉันไม่มีอะไรเป็นที่ตั้งแห่งอวิชชาสำหรับพระพุทธเจ้าทุกอย่างไม่เป็นที่ตั้งแห่งการทำกรรมเพราะว่าเป็นกิริยาทุกอย่างเป็นที่ตั้งแห่งกิริยาหมดครัโครงเรือนเนี่ยคือกรรมเนี่ยไม่มีอีกต่อไปย่อเรือนคืออวิชชาเนี่ยไม่มีอีกต่อไปเพราะไม่มีอะไรที่จะเป็นอารัมมณปัจจัยแห่งอวิชชาสำหรับพระพุทธเจ้าสิ่งใดหน่อยหนึ่งที่จะปกปิดพระพุทธเจ้าไม่มีไม่มีสิ่งใดที่จะปกปิดได้ เพราะฉะนั้นยอดเรือนเขือวิชาเราก็รู้แล้วจิตของเราเนี่ยถึงพระนิพพานแล้วถึงวิสังขารคือพระนิพพานแล้วแปลว่าจิตเนี่ยนะด้วยมรรคจิตผลจิตปั จ, จเจกขณะญาณเนี่ยสามารถมีพระนิพพานเป็นอารมณ์เราบรรลุถึงทำรรเป็นที่สิ้นตัณหาทั้งหลายบัดนี้ใจของเราเนี่ยเข้าถึงอรหั ต, ตผลแล้วดํารงอยู่ด้วยอรหั ต, ตผลแล้วอันนี้ก็เป็นคาถาที่พระองค์เก่งหลังจาก ตรัสรู้เนี่ยพอตรัสรู้เสร็จก็แปลงเลยนะเนี่กอเนกชาติสังสารังสันทาวิสังอเนพิสังขหกาลังขเวสันโตทุกขาชาติปุณาปุนังกหกาลกะทิดโธสีปุนาเขหังนักาหสีสัพพาเตภาสุกภาพคาขหกูตังวิสังคตังวิสังขารขตังจิตตังตนานังขยามัชคาเนี่ยนะ เสจแล้วพอตรัสรู้พงค์ก็ประทับนั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะด้วยการเสวยวิมุติสุขตลอดเจ็ดวันเสวยวิมุติสุขนั่งนั่งเข้าพะละสมาบัติคืออรหัตผลสมาบัติเจดวันพอถึงวันที่เจ็ดก็ออกจากอารหัตผลสมาบัติปฐมมยามก็พิจารณาปฏิจจสมุบาตโดย อนุโลมมัชชิมยามก็พิจารณาปฏิจจสมุบาทโดยปฏิโลมปชิมยามก็พิจารณาปฏิจจสมุบาททั้งอนุโลมและปฏิโลมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นปฐมายามผ่านไปพระองค์ก็แป่งอุทานประกาศถึงพระองค์เนี่ยรู้ทุกและสมุทัยมัชชิมยามพระองค์ก็พิจารณาถึงพระนิพพานปชิมยามตอนรุ่งอรุณเนี่ยนะพระองค์ก็กล่าวถึงอนุภาพของอริยมรรคที่กําจัด ความมืดเขือวิชาได้เหมือนดวงอาทิตย์อุทัยขึ้นกำจัดความมืดฉะนั้นเพราะฉะนั้นวันที่แปดเนี่ยนะพอเปล่งเปล่งอุทานเสร็จวันที่แปดเนี่ยนะพระองค์ก็ออกจากสมาบัติตอนนั้นเนี่ยพวกเทวดาก็สงสัยความสงสัยของเทวดาก็บอกว่าเอเนี่ยสงสัยยังบรรลุไม่หมดมะยังไม่ได้บรรลุแท้แสดงว่าต้องมีกิจอะไรทําอยู่จึงไม่ยอมลุกไปไหนเลยนะ ดูท่ายังไม่บรรลุจริงอาจจะต้องมีอะไรสักอย่างที่จะต้องบรรลุต่อพระองค์ก็ตัดความสงสัยเพื่อกําจัดความสงสัยของเทวดาก็เหาะขึ้นไปในอากาศแสดงยะมะกะปาฏิหารแสดงเพื่อกําจัดความสงสัยของเทวดาเหล่านั้นพอแสดงยะมะกะาปาฏิหารตัดความสงสัยของเทวดาเสร็จแล้วพระองค์ก็ไปประทับยืนณนะเบื้องทิศอุดรเบื้องทิศอุดรเยื้องทิศบุรพาจากบาลังเนี่ยก็แปลว่าอยู่ทิศอีสาน เรีว่าอยู่ด้านตะวันออกเชียงเหนือนะตะวันออกแต่ว่าเฉียงไปทางเหนือที่ตรงนั้นพระองค์ก็จ้องดูบลังก์และต้นโพสถานที่บรรลุผลแห่งพระบารมีทั้งหลายที่บำเพ็ญมาถึงสี่อสงไขยแสนกับด้วยดวงพระเนตรที่ไม่กระพริบสถานที่ตรงนั้นเนี่ยก็ได้ไปเคยไปห่มผ้านะครัผ้าไปห่มเพื่อจะบูชาพระพุทธเจ้ามีอยู่ครั้งหนึ่งก็ขณะที่กําลัง บูชาอะไรกันอยู่คํำคำปฏิฝนมันตกลงมาเนี่ยนะมัมีที่ไปขอพึ่งนี่แหละขอพึ่งอะไรอนิีมิสัเจดีเนี่ยนะก็คือ ถ, ถ้าถ้าถ้าตรงที่เดินลงไปที่สถานที่ทุกองค์ตรัสรู้เนี่ยมันจะอยู่ขวาเมือมันจะเป็นเจดียอดอยู่หนึ่งที่ตรงนั้นเรียกว่าอนิีมิสัจเจดีเป็นสถานที่ที่พระองค์ประทับยืนห่างห่างพอสมควรนะห่างพอสมควรเลยแหละจากต้นโพไปถึงอัอนนี้มิสัเจดี พอดีฝนตกก็เลยหลบไปฟังหลวงพ่อที่เบสท่านก็สวด ง, ม, ง, ม, งมของท่านจนฝนเลิกก็ได้จึงออกมาเจริญกุศลต่อวันก่อนก่อ น, อนมาข้าบูชานะช่วงช่วงก่อนมาข้าบูชาสักวันหนึ่งนี่แหละฝนมันตกลงมาทีนี้ตอนที่พระองค์ประทับยืนตรงนั้นเนี่ยนะพิจารณาสถานที่พระองค์ตรัสรู้ที่เรียกว่าโพธิบาลังเนี่ยนะพิจารณาว่า เป็นสถานที่ที่พระองค์เนี่ยบำเพ็ญบารมีมาทั้งหมดให้ทานรักษาศีล น, นะนะถ้าอย่างที่เราเรียนจริยาปิฎกมาแล้วเนี่ยคือระลึกถึงต้นเหตุทั้งหมดที่ทํารวบรวมคุณงามความดีบุญกุศลแสวงหาพระสัพพัญญุตญาณเนี่ยนะรวบรวมสัมภาระรวบรวมบุญรวบรวมปัญญาเนี่ยนะตลอดสี่อสงไขยแสนกับสถานที่ตรงนี้โคนต้นไม้แห่งนี้เป็นที่ที่เราเนี่ยแทงตลอดสัพพัญญุตญาณ เป็นที่ทำให้เราสมความปรารถนาเป็นสถานที่ที่ทำให้สมความหวังสมความปรารถนาสมกับความตั้งใจเพราะว่าความตั้งใจที่ตั้งใจมาตลอดสี่อสงขขยแสนกับจะตั้งใจพร้อมกับการให้ทานตั้งใจพร้อมกับการรักษาศีลตั้งใจพร้อมกับการเจริญนิคัมมะอบรมปัญญาภาคเพียรด้วยวิริยะมีขันตินะมีสัจจะมีอธิษฐานเพื่อด้วยเมตตาแล้วก็ ดำรงอยู่ด้วยอุเบกขาบำเพ็ญบารมีทั้งสิบอุปป ร, ปรมีสิบปรม า, ปารมัตาปรมีสิบมหาบริจากหอธิฐานธรรมสี่คือบารมีคุณงามความดีที่ทำมาทั้งหมดตลอดสี่อสงไขามาสาเร็จเสร็จสิ้นเนี่ยนะมาสมบูรณ์สมความหวังสมความปรารถนาะสมกับความต้องการณสถานที่ตรงนี้ก็ร ะ, ะลึกถึงคุณของสถานที่ตรงนั้นแล้วก็ระลึกถึง สิ่งที่พระองค์ปฏิบัติมาจนได้ตรัสรู้สิ่งที่พระองค์ตรัสรู้ก็พี่ดูอยู่นั่นแหะ น, นะคือหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าโอ้ยดูแบบคนดูรูปตะลึงไม่ใช่ดูแบบนั้นอันนั้นก็แบคนดูด้วยตาประตาเนื้อแต่พระพุทธเจ้าดูด้วยตาปัญญาพิจารณาเหตุพิจารณาผลดูอยู่เจ็ดวันหลังจากนั้นพระองค์ก็เสด็จจงกรมระหว่างรัตนจงกรมที่ตะวันออกกับที่ตะวันตกในระหว่างสถานที่ บาลังตรัสรู้กับสถานที่ประทับยืนก็เดินจงกรมกลับไปกลับมา7วันเดินเดินพิจารณาธรรมะก็ไกลเหมือนกันนะไม่ใช่เดินจงกรมแบบสถานที่แค่4ีองนะไม่ใช่เดินจงกรมไกลนะคิดว่าไม่ต่ำกว่า4 0่สถึงห้เมตรนั่นแหละก็เดินไกลามากเลยจากสถานที่ตรัสรู้ไปจนถึงนั่นนะประมาณอย่างน้อย40เมตรน่ย น, นะก็ประมาณ82นั่นแหละก็เดินจงกรมกลับไปกลับมาเนี่ยนะถ้าเดินสถานที่สั้นๆถ้าเดิน7วันเนี่ย ก็เว่าภาษาในคืเรียกมาแน่วิงเวียนแน่แต่ถ้าเดินไกลๆอย่างนั้นน่ยจะสบายแต่ก็ไม่ใช่เดินแบบคนรีบเร่งนะถ้าเดินจริงๆแล้วเนี่ยะจะมีความสุขมากโดยเฉพาะพระพุทธเจ้าเนี่ยเดินด้วยจิตที่มหากิริยาญาณสัมปยุตแล้วก็มีฌานสมาบัตเป็นเหตุใกล้แล้วก็เดินพิจารณาอริอยสัจจะรำปัญหาว่าเดินได้ยังไงบอกว่าจริงๆแล้วเดินมีความสุขมาก ถ้าเดินด้วยสติเดินด้วยปัญญาเดินด้วยการพิจารณาอริยสัจธรรมแล้วการเดินจงกรมไม่ใช่สิ่งที่น่าเบื่อแต่เป็นสิ่งที่มีความสุขเนี่ยขณะที่เดินพะนั้นอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยเดินพิจารณาพิจารณาธรรมะอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยจะมีความสุขขนาดไหนเมื่อเดินจงกรมพิจารณาธรรมอยู่นั่นนะพิจารณาธรรมพิจารณาถึงคุณของสถานที่ที่ทําให้เกิดการตรัสรู้อยู่เจ็ดวัน หลังจากนั้นเทวดาทั้งหลายก็ช่วยกันเนรมิตรเรือนแก้วถวายในส่วนทิศประจิมในทิศ ต, ตะวันตกของต้นโพเนี่ยนะทิศตะวันตกของต้นโพเอ่อเยื่องเยื่องไปขวามือของต้นโพสักนิดหนึ่งนะที่ตรงนั้นเขาเรียกว่ารัตนคระเจดีพระองค์ก็ประทับนั่งคัดสมาธินนะัพิจารณาเลือกเฟนอภิธรรม พ, พิจารณาทั้งกุศลธรรมมากุศลธรรมมาพิจารณาอย่างละเอียดกว้างขวางไม่มีที่สิ้นสุด เขาบอกว่าตลอดระยะเวลาที่พระ อ, องค์นั่งพิจารณาเจดวันแบบไม่หลับเลยเนี่ยนะแล้วก็ชาวนะของพระพุทธเจ้านี่รวดเร็วอย่างที่ว่าหายใจฮืดหนึ่งระลึกได้9กสบเดกลับเนี่ยนะฮืดเข้าอย่างเดียวนะแลฮือดออกอีก9ก้าบอดกลับถามว่าปัญญาวัยขนาดนั้นเนี่ยนะพิจารณาอยู่เจ็วันเนี่ยจะพิจารณาขนาดไห น, นถ้าเอามาพิมพ์หมดเนี่ยนะบอกไม่ปัญญาอภิธรรมที่เราเรียนเนี่ยแบบฉบับสังเขปในความคิดของพระพุทธเจ้านะ ถ้าถ้าระดับปัญญาของพระพุทธเจ้าหละบอกวโอ้ยสบับสังเขย่อจริงๆเนี่ยนะที่ที่มาพิมพม์เนี่ยเรียนเยนกันเนี่ยย่อมากแต่ที่พระองค์พิจารณาจริงๆเนี่ยกว้างขวางอย่างลึกซึ้งเพราะว่าพระองค์เนี่ยมีสภาวะรองรับทุกชนิดเนี่ยนะเรียกว่าสังขารธรรมทุกประเภทถูกจัดแบ่งหมวดหมู่เนี่ยนะคือธรรมะในภูมิสามพร้อมทั้งโลกุตรธรรมเนี่ยได้รับการวิจัยเลือกเฟ้นในหมวดหมู่อย่างคนที่เรียนอภิธรรมใน ในคัมภีร์ก็คืออ่านอักษร อ, อ่านตามตำราแต่พระพุทธเจ้าอ่านเรียกว่าอะไรนะเหมือนคนขึ้นอยู่ที่สูงลนะ่ะดูเหมือนกับดูถนนหนทางยิ่งกว่าดูอะไรนะภาพถ่ายทางดาวเทียมนะดูชัดเจนแล้วก็ตลอดและไม่ใช่โลกกระถ่เดียวด้วยในะโลกกะาะถอันหาประมาณไม่ได้แล้วก็ใช้หลักการคือพิธามเจ็ดคำพีในการพิจารณาเนี่ยนะ คือไม่นั่งไม่ใช่ลักษณะที่สัานวนว่าเสือกระดาษเนี่ยนะไม่ใช่ลักษณะแบบนั้นพิจารณาตามกระดาษไม่ใช่แต่พิจารณาตามสภาพที่เป็นจริงมีการใครครวนตลอดเนี่ยนะวันสุดท้ายก็พิจารณ า, าคำพีปัจฐานเนี่ยนะพิจารณาปัจฐานก็คือเอาปัจจัยยี่สิบี่มาคูณลงติกะปัจฐานทุกกะปัจฐานติกะทุกกะแล้วก็มีสภาพธรรมในในโลกธาตุทั้งสิ้น พร้อมทั้งพระนิพพานเนี่ยนะมีการพิจารณาไครครวนโดยนยัยไม่มีที่สิ้นสุดเพราะหลังจากพิจารณาคัมภีสมันตะปัฏฐานเนี่ยนะสมันตแ์แปลว่าโดยรอบปัฏฐานแปลว่าที่ตั้งนะที่ตั้งโดยรอบเนี่ยนะพิจารณาอย่างนี่จนพุทธรัศมีออกเรียกว่าพุทธรังศีเนี่ยนะพุทธรัศมีก็ออกจากพระวรกายเนี่ยนะก็อันนั้นแหละที่รัตนครเจดีฐานที่ตรงนี้ก็เคย เอาผ้าไปห่มและวก็เคยไปห่มผ้ารู้สึกจะห่มหลายครั้งด้วยนะไม่ได้หอมครั้งเดียวนะห่มหลายครั้งมาคหอมเสร็จเ็ก็เก็บเก็บแล้วก็หอมอีกแล้วก็หมเป็นพุทธบูชาเนี่ยนะรำลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าที่ประทับนั่งพิจารณาพระธรรมอันหาที่สุดไม่ได้ด้วยพระญาณไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยนะสถานที่ตรงนั้นเรียกว่ารัตนคระเจดีเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปใหม่ไปพุทธบูชาใหม่ นี่หลังจากนั้นเนี่ยนะสัปดาห์ที่หพระพุทธเจ้าก็ยับยั้งอยู่ตรงใกล้ต้นโพเนี่ยสสัปดาเนี่ยนะสี่สัปดาห์สัปดาห์ที่5พระองค์ก็ออกจากโคนต้นโพเสด็จเข้าไปยังต้นอชะปะะนิคโครธแม้ณสถานที่ตรงนั้นพระองค์ก็พิจารณาเลือกเฟ้นธรรมก็คือพิจารณาอริยสัจธรรมพร้อมกับสลับกับการเข้าสวยวิมุตติสุขคือเข้าอารหัตผลสมาธิเนี่ยนะ ยับยังอยู่ที่ต้นอชาปาละนิโครตประมาณเจดวันก็สถานที่ตรงนั้นก็ห่างไปจากต้นโพพอสมควรหลังจากนั้นพระองค์ก็ออกจากสถานที่ตรงนั้นเนี่ยนะไปที่ต้นมุดจลินต้นมุด จ, จรินก็คือต้นจิกด้วยอาการอย่างนี้อีกเจดวันเนี่ยนะก็ไปเลือกเฟ้นทํำสวายวมุติสุขที่ต้นมุด จ, จรินเนี่ยห่างจากต้นโพเนี่ยประมาณสักสองกิโลเนี่ยนะห่างจากสถานที่ตรงนั้นสักสองกิโลว่าจะไปอยู่ก็ยังไม่ได้ไปถ้ามีโอกาสก็จะไป แต่ถ้าไปเจอหน้าหน้ า, ห น, าหน้ามีน้ําก็ไม่ไหวเหมือนกันนะจะต้องไปหน้าแรงจึงจะเติมพรอมันอยู่ท้องนาเนี่ยนะท้องน้ํามีสระน้ําอยู่ที่หนึ่งตรงนั้นเขาก็เรียกกันว่าสรมุดเจริญเนี่ยนะส่วนสรมุดเจรินจําลองก็อยู่ข้างข้างซ้ายมือนั่นแหละขณะที่พระองค์ประทับนั่งอยู่ที่ต้นมุดเจลินเท่านั้นนะมหาเมฆซึ่งไม่ใช่ฤดูกาลก็เกิดขึ้น เต็มทั่วห้องจกักรวันอันนี้เป็นปกติว่าหลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยนะเมฆมันจะก่อตัวตั้งขึ้นทั่วห้องจกักรวันอย่างของเราที่รู้รกันก็เมฆหนาแค่ยี่สิบสสิกิโลเนี่ยนะแต่ น, นี่มันเมฆมันตั้งคือทั่วจกวักรวันเป็นเมฆไปหมดเลยนะนะมหาเมฆ ก, ก็เกิดขึ้นพญานาคเชื่อว่ามุจลินก็คิดว่าเมื่อพระศาสดา พ, พอเสด็จเข้าสู่ภพของเรามหาเมฆนี้ก็เกิดขึ้น ควรได้อาคารที่ประทับอยู่สําหรับพระศ า, าสดานั้นพญานาคแม้์นั้นก็สามารถเนรมิตวิมานที่ให้เหมือนวิมานเทพอันสําเร็จด้วยรัตนเจ็ประการจริงๆความสามารถของพญานาคเนรมิตอะไรก็ได้แต่ก็คิดว่าเมื่อเราสร้างวิมานด้วยการเนรมิตอย่างนี้จะไม่มีผลมากเรียกว่าเหมือนกับอะไรนะคือคือเหมือนกับคนใช้แต่เงินทําบุญอย่างเดียวมันก็ไม่ได้บุญมากเหมือนกับขวนขวายด้วยกายอะไนเงี้ไม่เหมือนกับขวนขวายด้วยกายเนี่ยนะ สมรรมติเราจะทาบุญด้วยซื้อนังสือแจกกับอ่านนังสือเองอันไหนจะได้บุญมากกว่ากันเงี้ยลักษณะเนี่ยงั้นการขวนขวายของพญานาก็ลักษณะนั้นก็ขวนขวายด้วยกายเพื่อพระทศพลคือพระพุทธเจ้าผู้สมบูรณ์ด้วยกําลังสิบประการจึงทำอัตภาพให้ยิ่งใหญ่ล้อมพระศาสดาไว้ด้วยขนดเจ็ดชั้นเนี่ยนะล้อมไว้เจ็ดชั้นแผ่พังทานไว้ข้างบน ก็ทั้งผานนี้ก็เป็นหลังคาครอบเนี่ยนะไอ้ตัวที่ล้อมรอบก็เป็นเป็นฝาไปแต่สถานที่ตรงนั้นเนี่ยพระองค์ก็ประทับอยู่บนบัลลังก์ที่มีค่าที่สําเร็จด้วยรัตนเจ็ดแต่ว่าอยู่ในห้องก็ไม่ใช่ว่าแม้กลิ่นคาวคละคลุ้งนะนะปกติแล้วคําว่างูเนี่ยมันมีกลิ่นแรงก่อนข้างกลิ่นเนี่ยก้อนข้างคาวนะสถานที่งูอยู่ยโยเย่โยโเย่ๆๆๆๆเนี่ยกลิ่นจะคาวมากแต่ว่าพญานาคไม่ได้ทําให้มีกลิ่นแบบนั้นเนี่ยนะ เป็นดอกไม้ต่างชนิดห้อยย้อยอยู่เบื้องบนอบไปด้วยกลิ่นหอมต่างชนิดโอกาสแวดล้อมใหญ่ก็ไม่ใช่โอ้โหบงังคือถ้าอยู่ใกล้งูจริงๆเนี่ยนะถ้างูตัวใหญ่ๆเนี่ยถ้าอยู่เยอะๆเนี่ยมันจะมีกลิ่นแรงแต่นี้พญานาคไม่ได้ทําให้เป็นอย่างนั้นทํอนนาอนันเนเรมิตรให้มีกลิ่นหอมเหมือนอะไรในในห้องนั้นก็เหมือนกับประทับอยู่ในพระคันทกุติคันท่านี้แปลว่ากลิ่นนะกุติก็คือกุติที่อบด้วยกลิ่น คือกุฏิของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะโดยปกติแล้วพระเจะอบด้วยกลิ่นอยู่ตลอดแล้วก็ไม้ที่เอามาสร้างกุฏิพระพุทธเจ้าโดยมากใช้ไม้หอมเนี่ยนะแล้วก็มาอบหอมอีกครั้งหนึ่งนะนะพระองค์ก็จะอยู่ด้วยกลิ่นหอมคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้สมบูรณ์ที่จะได้เห็นสิ่งที่สวยที่สุดที่ที่คนจะได้เห็นนะคือพระพุทธเจ้าจะเห็นสิ่งที่เพราะที่สุดที่คนควรจะได้ฟังพระองค์จะได้ฟังกลิ่นหอมที่สุดประณีตที่สุดควรจะได้รับพระองค์ได้รับ กที่รถที่อร่อยที่สุดเท่าที่ควรจะสัมผัสเนี่ยนะพระองค์ได้รับสัมผัสหมดนั้นสัมผัสทางกายที่สบายที่สุดเนี่ยนะที่มีชานเป็นต้นเป็นสมุทฐานพระองค์ก็สามารถรับสิ่งเหล่านั้นได้เนี่ยนะเพราะนั้นเรียกว่าในบรรดาผู้สมบูรณ์ด้วยสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายที่ประนีตที่สุดเนี่ยนะพระองค์เป็นผู้ที่รับสัมผัสที่ประนีตที่สุดเพราะว่าบุญที่สังสมมาเนี่ยนะแม้ มันแย่งกันมาให้ผลน่ยนะบุญที่ทำไว้เนี่ยเสียสงขาแสนกลับเนี่ยนะกลัวจะไม่ได้ให้ผลเราเป็นแย่งกันมาเหมือนกับอะไรแม่น้ําที่มาบรรจบเลหลายสายเนี่ยล้นมาเลยอะ่ะลัง น, น้ําท่วมมันระหับสการะของพระพุทธเจ้าเหมือนกับไหลมาท่วมทับไม่ใช่แต่มนุษย์อย่างเดียวเท่านั้นที่มาทําแม้แต่เทวดาทั้งหลายก็มาทําก็ด้วยบุญที่พระองค์สร้างมาขณะเดียวกันเนี่ยนะเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายภาคเพียรทําพุทธบูชาเท่าใด นั่นก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นพระองค์ก็ยับยั้งอยู่ที่ต้นมุดเจรินต้นจิกเนี่ยตลอดเจวันหลังจากนั้นพระองค์ก็เสด็จต่อไปอยังต้นราชาเยตนะคือต้นเกตอีกเจดวันพระองค์ก็เสวยวิมุตติสุขอยู่ที่นั้นนะพิจารณาธรรมเสวยวิมุตติสุขดังกล่าวมานี้ครบเจ็สัปดาห์พอดีนะสัปดาห์ที่หนึ่งปัทธรรมโพธิปัลลังเกก็คือ สัปดาห์ที่หนึ่งโพธิบาลังสัปดาห์ที่สองอนิมิสเจดีสัปดาห์ที่สามรัตนจังกมะมเนี่ยนะก็คือการเดินจงกรมระว่างสถานที่ตรัสรู้กับที่ประทับยืนดูเนี่ยนะอีกเจดวันสัปดาห์ที่สีรัตนคระเจดีพิจารณาพิธรมสัปดาห์ที่ห้าอชาปะลนิโครสัปดาห์ที่หกสมุจลินสัปดาห์ที่7ราชายาตนะคือที่โคนต้นเกต ครบเจ็ดสัปดาห์พอเจ็ดสัปดาห์ผ่านไปก็ครบ49้าวันใช่ไหมเจ็ดเจ็ด้าครบ49 49วันแล้วพระองค์ก็คิดจะบวชพระโอษณนะคิดจะบวชพระโอเท้าวสักกะจอมถวยเทพก็นำผลสมอที่เป็นยาเนี่ยมาถวายคือพระองค์ก็จะได้ขับถ่ายเพราะว่าไม่ได้ขับถ่ายมาตลอด 49่สิเก้าวันะครั้งนั้นเท้าสักกะก็ถวายไม้สีฟันชื่อวรรนาคาดาที่อ่อนนุ่มก็คือเป็นไม้ชําระฟันอย่างดีเลยนะแป็นเขาเรียกว่าเป็นยายาเกี่ยวกับเรื่องยาเกี่ยวกับเรื่องฟันเนี่ยนะกลุ่มยาสีฟันก็ไม่มียาไหนจะดีกว่านี้อีกแล้วเสร็จแล้วพระองค์ก็เคี่ยวไม้สีฟันบ้ว น, นพระโอษฐเท้าสักกะก็ถวายน้ําบ้วนพระโอษฐแด่พระองค์คือเคี่ยวไม้สีฟันเสร็จก็กเหมือนกับแปลงฟันนะแล้วก็บ้วนพระโอษฐทิ้งไป จากนั้นพระองค์ก็เคียวไม้สีฟันบ้วนพระโอษด้วยน้ำจากสระอโดดาก็เป็นน้ำสะอาดที่สุดที่ ท, ที่เป็นน้ำดีเนี่ยนะประทับนั่งณนะโคนต้นราชายัตนะสมัยนั้นเท้าจตุโลกบาลก็น้อมบาดศิลาเนี่ยนะมีค่ายิ่งเข้าไปถวายคือขณะนั้นนะขณะที่พระองค์ประทับนั่งอยู่ที่โคนต้นเกตเนี่ยตปุสะกับภริกะเนี่ยก็ เ, เป็นพ่อค้าเนี่ยนะพ่อค้า เขาก็เชื่อว่าพ่อค้าสองคนเนี่ยตปุ ษ, ษกับพลิกาเนี่ยเป็นชาวพมา่าเขาเชื่อว่าชาวพมา่าไปค้าขายอยู่ที่ไปค้าขายที่อินเดียเนี่ยนะซึ่งพมา่ากับอินเดียก็ไม่ได้ไกลอะไรกันมากเนี่ยนะไม่ได้ไกลอะไรกันมากก็ไปค้าขายทีนี้ไอ้ระหว่างที่ผ่านไปแถวๆต้นเนี่ยต้นราชายตนะที่ประมงประทับอยู่นั่นแหละเทวดาก็มาเตือนเนี่ยนะมาบอกให้ไปทําบุญกับ พระพุทธเจ้าแรกตรัสรู้สองคนนี้ก็ไปถวายศัตรูก้อนและศัตรูผงทีนี้พระองค์ก็บอกว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายถ้าไม่มีภาชนะคือไม่มีบาดจะไม่รับเพราะหลังจากที่พระองค์ทําทุกระกิริยานี่บาดก็ก็หายไปนะตอนที่พระองค์ประทับเพื่อจะตรัสรู้หลังจาก น, นั้นบาด ท, ที่พรมถวายก็หายไปเพราะฉะนั้นก็ไม่มีบาดพอไม่มีบาดเท้าจตุโลกบาลก็เอาน้อมบาดสี่ใบเข้าไปถวายพระองค์ก็ประจุไปเหลือบาดใบเดียว อธิษฐานทําให้เป็นบาปใบเดียวเนี่ยนะพงษ์ก็เอาบาปนั่นแหละไปรับศัตรูผงกับศัตรูก้อนเนี่ยนะจาตบตปุสะกับภลิกะเพราะฉนนั้นตปุสะภริกะสองคนก็ปฏิญาณถึงสารณะสารณะสองเนี่ยนะพุทธังสรารนังฆาชามิกับธรรมังสรารนังฆาชามิแล้วก็ขอว่าขอแค่ข อ, ข อ, ข อ, ขอที่ระลึกกันนะสมัยนี้ก็คือขอที่ระลึกอะ่ะพองษ์ก็เลยลูกพระเกศาก็ให้พระเกศาท่าไปก็ สองคนนี้ก็มาสร้างสร้างเจดีเจดีนี้ที่เรียกว่าเวดากองเนะเจดีเวดากองก็คือเจดีที่มาจากเส้นพระเกสาธาตุเนี่ยแหละหลังจากที่พระองค์ตต่สรู้หลังจากที่พระองค์เนี่ยนะรับอย่างนั้นพระองค์ก็สวยเสร็จก็กลับมายังต้นอชปาระนิโครธเนี่ยนะต้นนี้เป็นต้นที่พระองค์ประทับอยู่สัปดาห์ที่5สัปดาห์ที่5พระองค์ประทับอยู่ที่ต้นอชะปาระนิโครพระองค์ก็กลับมา ขณะที่พระองค์ประทับนั่งอยู่ที่นั้นเนี่ยนะพระองค์ก็พิจารณาทบทวนถึงสภาวะแห่งธรรมคืออริยสัจธรรมที่พระองค์บรรลุเนี่ยนะว่าธรรมะที่พระองค์บรรลุโดยเฉพาะมรรคผลนิพพานเนี่ยเป็นธรรมะที่ลุ่มลึกลุ่มลึกเนี่ยลึกขนาดไหนลึกถึงขนาดโลกุตรธรรมอ่ะเป็นธรรมที่พ้นจากโลกเป็นธรรมที่พ้นจากวัตฏมูสัจเนี่ยรู้เฉพาะเรื่องกับวัตะเท่านั้นอ่ะธรรมที่พ้นจากวัตะ์นี่ถือว่าลึกจริงๆนั่นก็เลยเกิดปริวิตก ที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์จับปริวิตกเช่นนี้เหมือนกันหมด น, นะวิตกถึงความที่พระองค์เนี่ยประสงค์จะไม่แสดงธรรมโปรดผู้อื่นไม่ไม่ไ ม, ไม่ปรารถนาะจะแสดงตามโปรดผู้อื่นว่าธรรมะที่พระองค์บรรลุเนี่ยนะคือมรรคผลนิพพานเนี่ยเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งเห็นได้ยากแล้วก็รู้ตามได้ยากแม้กระทั่งจะเล่าให้ฟังก็ยังยากขท่นั้น เป็นธรรมที่สงบประณีตแล้วก็ตรึกคาดเอาไม่ได้ไม่ใช่กะกะเอาภาษาสมัยใหม่ค่านิยมถากถางว่าไม่ใช่ว่านั่งสองเทียนแล้วจะเข้าใจว่างั้นก็คื อ, คอเป็นสิ่งที่กะคาดคณีเอาไม่ได้เป็นสิ่งที่ละเอียดมากแต่ธรรมะอย่างนี้บัณฑิตเขาก็รู้ได้เนี่ยนะปกติแล้วบัณฑิตก็รู้ได้